เมื่อสมเด็จพระผู้ทรงสวัสดีภาคตรัสเทศนาในมรณะทุกขนั้นแล้วลำดับนั้นจึงตรัสเทศนาโศกทุกข์ปริเทวทุกทุกขทุกโทมนัสทุกขอุปายาสทุกขนั้นต่อไปด้วยพระบาลีเป็นอาทิเนื้อความว่าพิกเวดูก่อนพิกขุทั้งหลายลักษณะแห่งความโศกนั้น มีสภาวะกระทำน้ำจิตแห่งสัตว์เราท่านให้เดือดร้อนระสำาราให้กระวนกระวายแห้งเหือดไปจะนอนก็ไม่หลับจะรับประทานก็ไม่ได้ด้วยญาติชิบหายก็ดีด้วยสมบัติชิบหายก็ดีอันนี้แหละชื่อว่าโศกเบียดเบียนในสันดานแห่งสัตว์เราท่านทั้งปวงให้สเสวยทุกขเวทนาเนืองเนือง ปริเทวทุกนั้นเล่าก็มีลักษณะให้ร้องไห้ร่ำไรมีน้ำตาอันหลั่งไหลฟูมฟองนองเนตรเหตุด้วยมารดาบิดาและบุตรภริยาคณะญาติประธรมกาละกิริยายตายก็ดีและเป็นเหตุด้วยสมบัติชีพหายก็ดีไอ้บ่นเพ้อละเมอบ้าไปทุกวันทุกเวลาเสวยทุกขเวทนาเป็นเนืองนิจจานิรัน์อันนี้แหละชื่อว่า บริเทวาทุกกระทำให้น้ำจิตแห่งสัตว์ทั้งปวงเดือดดิ้นอยู่เนืองเนืองทุกข์ทุกนั้นกายิกังทุกขังอาสาตังทุกอันใดกระทำให้น้ำจิตหดหูสลดทอดใจใหญ่ด้วยทุกอันบังเกิดขึ้นแต่โรคคาพาธนั้นก็ดีและทุกอันบังเกิดขึ้นแต่ตนต้องราชอาชญา ท่านเคี่ยนตีและจําจองไว้นั้นก็ดีและท่านตัดอัทธบาทาเส้นนั้นก็ดีและมีกายอันเวทนาลำบากอยู่แต่ผู้เดียวก็จัดได้ชื่อว่าทุกข์ทุกข์กประการหนึ่งตัวเป็นคนจรนุรพลประดาเข็นใจและเห็นชนทั้งหลายเขานุ่งห่มตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องสันผาพรต่างๆแต่ตัวอัตมานี่กรัย ยากจนเข็นใจไม่มีอันใดจะตกแต่งนุ่งห่มด้วยเขาเห็นเขาแล้วก็ทอดใจใหญ่สลดสังเวชว่าอ น, นิจจาอ น, นิจจาตัวของอัตมานิช่างยากจนนักหนาเกิดมาช่างกระไรไม่เทียมเขาเลยทุกอันนี้แหละได้ชื่อว่าทุกขะทุกโทมณนัสทุกนั้นพระพุทธองค์ตรัสเทศนาว่า อย่างเจตสิกังอาสาตังเจตสิกังทุกขังดูก่อนพิขูทั้งหลายทุกอันใดที่ประกอบในจิตกระทำน้ำจิตแห่งสัตว์ให้เคืองแค้นแน่นอุราไม่มีความสบายความสุขให้น้อยใจไปทุกเมื่อทุกอันนี้แหละตัทาคตเรียกว่าโทมนสัสทุกอันดับนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสเทศนาในอุปายาสทุกด้วยพระบาลีเนื้อความดังนี้ว่าพิกเวดูก่อนพิกขูทั้งหลายทุกอันใดให้บังเกิดสะอื้นอาไลด้วยแขนใจเพราะเหตุด้วยชิบหายแห่งญาติก็ดีเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาอันกระทากาละกิริยาก็ดีและชิบหายแห่งสมบัติยศบริวารก็ดี ให้สะอื้นอาลัยใหญ่หลวงเดือดดิ้นอยู่ในสันดานแห่งสัตว์ทั้งปวงทุกอันนั้นแหละชื่อว่าอุปายาสทุกนักปราดผู้มีปัญญาพึงสันนิฐานเถิดว่าโสกทุกนั้นเหมือนด่งน้ำมันอันบุคคลแรกเคี่ยวในภาชนะเดือดอยู่ฉะนั้นปริเทวะทุกนั้น เหมือนดั่งน้ำมันอันบุคคลเร่งไฟให้ล้นออกมาจากภาชนะนั้นอุปายาสถุกนั้นเหมือนดั่งน้ำมันอันบุกคลตักแล้วเหลืออยู่ในภาชนะนั้นอธิบายว่าโสกทุกนั้นบังเกิดขึ้นในภายในกระทําให้น้ำจิตนั้นเดือดร้อนในภายในปริเทวทุกนั้น เมื่อบังเกิดขึ้นประทมน้ำตาให้ไหลออกฟูมฟองนองเนธปรากฏแก่ชนทั้งปวงอุปายาสถุกเมื่อบังเกิดนั้นให้น้ำตาแห้งไปให้ขัดแค้นแนนอุระสะเอื้นอยู่แต่ในภายในจิตลำดับนั้นสมเด็จพระพิชิตมานจึงตรัสเทศนาในอัปิเยหิสัมประโยคทุกนั้น ด้วยพระบาลีเนื้อความว่าพิกเวดูก่อนพิกูทั้งหลายอารมณ์ทั้งห้าคือรูปอารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ระสารมณ์พทธพารมคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันมิได้เป็นที่ปรารถนามิได้เป็นที่รักใครมิได้เป็นที่ชอบใจถ้าแม้บุคคลใดไ ด, ได้คบหาสมาคมเข้าแล้วก็มีจิตเป็นทุกข์ ให้เกลียดให้ชังมีใครจะนั่งใกล้นอนใกล้ยืนใกล้อยากจะไปเสียให้พ้นอาศัยด้วยว่านาจิตนั้นไม่รักไม่ใกล้ไม่ปรารถนาและมาพบเข้าฉะนั้นตถาคตจึงเรียกชื่อว่าอาปิเยหิสัมปโยคทุกจัดเป็นทุกขอริยสัตว์ประการหนึ่ง ในปีเยหิวิปโยคทุกนั้นเล่าก็พึงเข้าใจเถิดว่ารูปารมณ์ก็ดีสัทธารมคันธารมรส า, ารมพุทธพารมก็ดีถ้ามีความปรารถนามีความรักใคร่ชอบเนื้อเจริญใจอยากไปนอนด้วยไปนั่งด้วยอยากจะยืนด้วยเที่ยวด้วยอยากจะสมาคมคบหาด้วยทุกวันทุกเวลาและพลัดพรากจากไปเสีย ก็จัดเป็นปีเยหิวิปโยคทุก ป, ประการหนึ่งบุคคลทั้งหลายในโลกถ้าแม้พลัดพรากจากมารดาบิดาจากพี่ชายและน้องหญิงจากบุตรภริยาญาติสาโลหิตมิตรและอามาร์อันเป็นที่รักที่ใคร่นั้นก็จัดเป็นปีเยหิวิปโยคทุก ป, ประการหนึ่งบุคคลพลัดพรากจากที่กินที่อยู่ จากสมบัติภระสถานเสริงคารบริวานจากยศสัตว์ก็จัดเป็นปียหิวิปโยคทุก์เป็นทุกขอริยสั์คำรบสิบประการลำดับนั้นสมเด็จพระโลกุุตามาจารย์จึงตรัสเทศนาในยามปิดฉังนลพติทุก์ต่อไปว่าพิกเวดูก่อนพิกุทั้งหลาย ความปรารถนานี้ย่อมมีทั่วทุกตัวสัตว์อันบังเกิดมาว่าตัวอาตมานี้อย่าได้แก่ชราอย่าได้รู้ไข่อย่ารู้ตายอย่ารู้โศกเศร้าร่ำไรสะอื้นอะไรขับแค้นใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยปรารถนาชนีเมื่อไม่สำเร็จความปรารถนาก็เป็นทุกข์และยาปิดชังนลพปิทุกนี้คือทุกประกอบในกายหนึ่งทุกประกอบในจิตหนึ่ง ทุกอันประกอบในกายนั้นได้แก่บุคคลทั้งหลายอันกระทากสิกรรมและวานิชกรรมกระทาการถากไร้ไถนาวขวนขวายทรมานกายอุสากระทากรรมแดดก ร, รมฝนไม่คิดแก่ยากไม่คิดแก่เหนื่อยด้วยภาวะหมายใจจะได้ผลรั้นไม่ได้ดังใจปรารถนาก็เป็นทุกข์และบุคคลไปค้าขาย อุตสาข้ามน้ำข้ามบกลำบากใจรันไม่ได้กำไรสำเร็จประโยชน์ก็โกรธโทษใจของตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์ทุกข์นั้นได้ชื่อว่าทุกข์อันประกอบในกายและทุกข์อันประกอบในจิตนั้นได้แก่บุคคลอันปรารถนายศ้าบรรดาศักดิ์ที่ทางและปรารถนาลาบสักการะเงินทองเป็นต้นและมีได้สาเร็จสมเจตนานั้น ชื่อว่าทุกข์อันประกอบในจิตและทุกข์สองประการนี้ย่อมกระทําให้เดือดร้อนอยู่ในสันดานแห่งสัตว์นั้นเป็นเนืองนิดตถาคตจึงเรียกว่าย่มปิดชังนละปฏิทุก์อันดับนั้นจึงตรัสเทศนาในปัญจุปาทานคันทัทุกอธิบายความตามวาระพระบาลีว่า พิกเวดูก่อนพิกคุทั้งหลายรูปูปาทานขันโทรูปขันนั้นก็เป็นอารมณ์แก่อุปาทานเวทนาขันก็เป็นอารมณ์แก่อุปาทานสัญญาขันก็เป็นอารมณ์แก่อุปาทานสังขารขันก็เป็นอารมณ์แก่อุปาทานวิญญาณขันก็เป็นอารมณ์แก่อุปาทาน เหตุว่าขันทั้งห้านั้นยังเป็นโลกียอยู่จึงได้ชื่อว่าอุปาทานขันอุปาทานนั้นแปลว่าถือมั่นแปลว่าเป็นเชื้อแห่งตันหาและขันทั้งห้าแห่งพระอริยเจ้านั้นจะเป็นโลกีอยู่ก็แต่รูปขันสิ่งเดียวเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน ทั้งสี่นั้นเป็นโลกุดรหาได้ชื่อว่าอุปาทานขันไม่ขันทั้งห้าซึ่งเป็นโลกีนั้นตถาคตตรัสเรียกชื่อว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาเหตุเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ทั้งปวงมีชาติทุกข์เป็นต้นมียามปิดฉังนละปฏิทุกข์เป็นปริโยสารนักปราชญ์ผู้มีปัญญา ปรารถนาจะใคร่ตรัสรู้ซึ่งทุกขาอาริยสัตว์ก็พึงพิจารณาตามในยยอันพันานามาในผลหลังนั้นเถิด